ตอนที่สามมังลังมังกรพระองค์นั้นหลี่จงยืนิ่งอยู่กับที่กวาดสายตามองฝูงชนที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้าใบหน้าของเขาดูเรียบเฉยไรความรู้สึกทว่าในใจกลับบังเกิดคลื่นลมแรงพัดกระนำสำหรับเขาแล้วสิ่งที่ต้องเผชิญในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาคือเรื่องราวที่เขาไม่อยากจะนึกถึงอีกเลยตลอดชีวิตนี้ จักรพรรดยิยงชางประมุขพระองค์ใหม่ทรงมีส่วนคล้ายกับปฐมจักรพันดิเทจูทรงขึ้นครองราชตามพระราชโองการสืบทอดมหาอำนาจทรงมีพระไทยมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปและสร้างความรุ่งเรืองตั้งพระไทยจะ ส, สางปัญหาเรือรังของราชวงศ์อวี๋และกรีธาทับปรับปรามพวกอนารยาชนทางเหนือและแขวนหนานเจ้าเพื่อประกาศแสนยานุภาพของราชวงศ์อวี๋ให้เกิดไกลถ้ว่าใครจะคาดคิดว่าหลังจากครองราชได้ไม่ถึงปีและเพิ่งจะเปลี่ยนศกใหม่ได้ไม่นานพระองค์กลับเสด็จสวรรคตณนะตําหนักต้าซิงอย่างกระทันหันนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดฝันมาก่อน เมื่อทรงทราบข่าวการสวรรคตรอย่างกระทันหันของจักรพรรดิพระองค์ใหม่พระพันปีหลวงเซิรงเลี้ยชื่อโซวะทรงเศร้าโศกเสียพระไทยจนหมดสติไปแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเมื่อพระอยัยกาเจ้าชื่อเซิ่์งคังโซวะทรงทราบเรื่องกลับทรงมีสาวนีสั่งให้มหัดเล็กจากตำหนักช้างเล้อออกจากวางังเพื่อประกาศราชเสานีให้ตาซือหมาตาเจิงจุนซุนเหินนำทหารเข้าวังเพื่อควบคุมสถานการณ์ที่ตำหนักต้าซิงและพื้นที่สำคัญอื่นๆทันที ภายใต้สถานการณ์อันตึงเครียดเช่นนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ส่งข่าวออกไปขุนนางระดับสูงจากสำนักจงซูสำนักเหมือนเซียสำนักซั่งซูรวมถึง6กกรมอ่านได้แก่กรมการปกครองกรมพระคลังกรมพิธีการกรมกลาโหมโกรมยุติธรรมและกรมโยธาต่างรีบมุ่งหน้ามายังพระราชวังหวีกา ร, รเผชิญหน้าและการชิงไหวชิงพริบจึงเริ่มต้นขึ้นแม้แต่ต้าซือมาเพี้ยจี้เจียงจุนจงชวนและต้าซือมาเชอจี้เจียงจุนฉางหลีที่ไม่ได้เข้าประชุมเช้ามานานแล้วก็ยังถูกเชิญตัวเข้าวังมาทีละคน ในช่วงเจ็วันนี้เกิดอะไรขึ้นภายในราชสำนักฝ่ายในบ้างคนภายนอกวังย่อมไม่มีทางล่วงรู้แต่สำหรับผู้ที่อยู่ในวังต่างสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของพายุที่กำลังจะมาเยือนภายใต้กำแพงวังอันสูงประหานและหนาทึบไม่รู้ว่ามีกี่ชีวิตที่ต้องจบสิ้นลงตายไปอย่างเงียบเชียบปาวากับว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนตายไปเสียก็ดีบางครั้งการมีชีวิตอยู่อาจทุกข์ทรมานยิ่งกว่าความตาย หลี่จงที่กำลังจมอยู่ในพวังความคิดเมื่อเห็นสาวนีจากสามตํนักอยู่ตรงหน้าเขาก็รวบรวมสมาธิยื่นมือไปประคองมันขึ้นมาเปิดออกแล้วเริ่มอ่านด้วยน้ำเสียงกังวลและหนักแน่นรับพระสาวนีจากสามตํนักมีพระบรมราชาองการว่าจักรพัทผู้ล่วงลับทรงขึ้นครองราชตามพระราชาองการทรงสืทบทอดพระเมตตาจาดจักรพัทองค์กรทรงห่วงใยในบ้านเมืองและราษฎรทรงแต่งตั้งคนดีขจัดคนชั่่วมุ่งมัน่นสร้างความรุ่งเรือง ดูเหมือนว่าทั่วทั้งราชวงศ์อวีจะไม่มีใครคาดคิดว่าจักรพรรดิพระองค์ใหม่จะเสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันรวมถึงตัวพระองค์เองด้วยมิเช่นนั้นสวนีที่ระบุตัวผู้สืบทอดบัลลังก์ฉบับนี้คงไม่ถูกประกาศออกมาในรูปแบบนี้สวนีจากสามตำหนักเป็นเรื่องที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนชูหลิงที่คุกเข่ารับสวนีลอบพุ่นคิดในใจแม้เขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวังหลวงแต่เขาก็เข้าใจสัจธรรมข้อหนึ่งใต้ล่าล้วนวุ่นวายพระผลประโยชน์ใต้ล่าล้วนสับสนพระลาพยศ ตลอดเจ็วันที่พระราชวังหวีไม่มีข่าวคราวใดๆหลุดรอดออกมาย่อมเป็นเรื่องที่ผิดปกติเกรงว่าเพื่อบรรลังที่ว่างลงนั้นการชิงไหวชิงพลิกของแต่ละฝ่ายคงดูเดือดเลือดพล่านเป็นแน่และจากเนื้อความที่หลี่จงอ่านชูหลิงยังสังเกตเห็นจุดหนึ่งได้อย่างเฉียบคมนั่นคือดูเหมือนจะมีเจตนาปกปิดตัวตนที่แท้จริงของจักรพรรดิพระองค์ใหม่ในความทรงจําของเขาจักรพรรดิพระองค์ใหม่ทรงมีนิสัยคล้ายกับปฐมจักรพันดิเทจู่ที่เด็ดขาดและมุ่งมั่นแต่ยามนี้กลับถูกพนาว่าทรงมีพระเมตตาประดุจักพดจงเหน เรื่องนี้น่าสนใจยิ่งนักเกรงว่าหลังจากนี้ราชวงศ์อวีคงจะเข้าสู่ยุคที่ฝ่ายในกลุ่มอํานาจบริหารราชการแผ่นดินทว่าเรื่องนี้ย่อมไม่เกี่ยวข้องกับเขาชูลิงคิดมาถึงตรงนี้ก็ทอดถอนใจในใจขอเพียงระบุ ต, ตัวผู้สืบทอดราชบัลลังก์ให้ชัดเจนและสิ้นสุดพิธีไว้ทุกนี้เขาก็จะได้กลับไปยังจวนสิบองศเสียที ทว่าแผ่นดินไม่อาจขาดประมุกได้แม้เพียงวันเดียวรุ่ยอ๋องทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามเฉลียวฉลาดรอบรู้ทรงเข้มงวดต่อตอนเองและห่วงใยราษฎรเมื่อครั้งจักรพรรดิผู้ล่วงลับยังทรงพระชนชีพอยู่ได้ทรงประชมเชย อ, อยู่หลายคราเพื่อความมั่นคงของราชวงศ์อวี๋และเพื่อความสงบสุขของอาณาประชาราชรุ่ยอ๋องหลี่จงที่กำลังอ่านสวรณีจากสามตำหนักกลับมีความรู้สึกที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในใจเกิดความตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเหตุใดจึงเป็นเขาที่ได้สืบทอดราชบัลลังก์กันเล่า ขณะที่ชูหงชูเปียวและฉูจวินที่คุกเข่าฟังสาวนีอยู่ต่างก็มีสีหน้าไม่สู้ดีเพราะรุยอ๋องผู้นี้ไม่เคยถูกสถาปนามาก่อนเลยบรรยากาศรอบด้านพลันเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเป็นไปตามคาดเลือผู้ทีวัยเพื่อสืบทอดอำนาจนั้นหรือในทางกลับกันชูหลิงยังคงสงบนิ่งทุกสัญ ญ, ญาณบ่งชี้ไปในทางเดียวกันว่าการสวรรคตอย่างกระทันหันของจักรพรรดิผู้ลวงลับได้ทำลายสมดุลอำนาจที่มีอยู่เดิม ดังนั้นจักรพรรดิพระองค์ใหม่ที่จะขึ้นครองราชย์ย่อมต้องมีพระชนมายุไม่มากมิเช่นนั้นการชิงไหวชิงพลิบตลอดเจดวันที่ผ่านมาจะทําให้สมดุลพังทลายและผลประโยชน์ของทุกฝ่ายจะไม่ได้รับการประกันจะเป็นองค์ชายแปดชูฮุยหรือองค์ชายเก้าชูเมาในบรรดาโอรสของจักรพรรดิไทจงเหวินชูหุยมีพระชนมายุเพียงเจ็ดพันปีส่วนฉูเมมีเพียง 3, สามพันปีหากให้ชูหลิงเป็นคนเลือกเขาคงเลือกคนหลังอย่างแน่นอน เพราะอายุเพียง 3, สาพรรษากว่าจะถึงวัยบรรลุนิติภาวะและสามารถบริหารราชการแผ่นดินได้ด้วยตนเองอย่างน้อยต้องรออีกสิบห้าปีสิบ้าปีนานพอที่จะรับประกันผลประโยชน์ของคนจํานวนมากได้ให้ชูหลิงเป็นจักรพรรดิผู้สืบทอดราชบัลลังก์ให้เสด็จเข้าสู่ตำหนักต้าซิงทันทีให้กรมพิธีการสำนักไทช้างสำนักหลู่สำนักเซาฟู่และสำนักชินเทียนเลือกวันอันเป็นมงคลเพื่อจัดพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษและประกาศราชาองคการขึ้นครองราชให้ใต้ล่ารับรู้โดยทั่วกัน จบสสวนณีคำประกาศนี้ประดุดหินก้อนใหญ่ที่ทุ่มลงในน้ำจนเกิดคลื่นยักย้ายทันทีที่หลี่จงอ่านสวนณีจบสายตานับไม่ถ้วนต่างพุง่มตรงไปยังจุดเดียวใครจะไปคาดคิดว่าบัลลังก์มังกรจะตกเป็นของชูหลิงไปได้เป็นไปได้อย่างไรกันสสวนณีปลอมนี่ต้องเป็นสสวนณีปลอมแน่แน่ชูหงเป็นคนแรกที่ตะโกนคัดค้านเขาลุกขึ้นยืนจ้องหน้าหลี่จงและตะหวาดเสียงเข้ม เจ้าขุนนางโฉดที่คิดทำลายบ้านเมืองกล้าดีอย่างไรถึงมาอ่านสาวนีปลอมฉูหลิงเขามีความสามารถหรือคุณธรรมที่ไหนถึงจะมารับภาระอันหนักอึ้งของราชวงศ์เราได้หลีเ่เซาเจี้ยนสาวนีจากสามตําหนักฉบับนี้เป็นสาวนีที่พระพันปีทั้งสาพระองค์ร่วมกันประกาศจริงๆหรือฉูเจวิ้นมีสีหน้ามืดมาเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนและจ้องเขม็งไปที่หลี่จงปลอมต้องเป็นของปลอมแน่ๆมีคนชั่วในราชสำนักฝ่ายในบงการอยู่พระพันปีทั้งสต้องถูกข่มขู่แน่ๆ ชูหลิงเป็นเพียงเด็กน้อยคนหนึ่งจะขึ้นเป็นจักรพรรดิผู้สืบทอดได้อย่างไรนิงองชูเจิงจิงอองชูสเสวียนและองคชาย6กชูเจวิงต่างก็ลุกขึ้นยืนคัดค้านหากเป็นชูหงชูเปียวหรือชูเจวิงคนใดคนหนึ่งได้เป็นจักรพรรดิพวกเขายังพอจะยอมรับได้แต่ชูหลิงเป็นใครกันเขาเป็นเพียงโอรสที่เกิดจากสตรีต่ำต้อยที่ไม่ได้รับความสําคัญตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยอยู่ในสายพระเนตรของจักรพรรดิไทจงเหมินเป็นคนที่ไร้ตัวตนที่สุดในบรรดาพี่น้องแล้วเขามีสิทธิอะไรที่จะได้เป็นจักรพรรดิ สเสด็จพี่ท่านได้เป็นจักรพรรดิแล้วในทางกลับกันชูฮุยกลับหันมามองชูหลิงแล้วกล่าวขึ้นนี่มันเรื่องตลกที่ร้ายแรงเกินไปแล้วชูหลิงได้ยินคําพูดของชูฮุยในใจไม่มีความยินดีแม้แต่น้อยตรงกันข้ามเขากลับรู้สึกขบขันเสียมากกว่าเอาเถอะตัวเขาได้กลายเป็นผู้ที่ได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการชิงไหวชิงพลึกของทุกฝ่ายไปเสียแล้วแต่ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คนนี้จะได้รับผลประโยชน์จริงๆหรือ ในพฤตานั้นเองชูหลิงพันเข้าใจจุดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นองค์ชายแปดชูฮุยหรือองค์ชายเก้าชูเมาแม่ตระกูลฝ่ายมารดาจะเทียบไม่ได้กับพวกของชูหงแต่พระมารดาของทั้งสองพระองค์คนหนึ่งมาจากตระกูลขุนนางเก่าแก่ทางตะวันออกอีกคนมาจากตระกูลผู้ดีเก่าทางเจียงหนานหากให้คนใดคนหนึ่งขึ้นเป็นจกักรพรรดิฝ่ายในอาจไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ฝ่ายนอกละเล่นกันแรงจริงๆ ชูหลิงเรื่อเข้าใจความโหดร้ายของราชวงศ์อวีใหม่อีกครั้งนี้มันคือการรวมตัวกันของพวกสุนัขจริงจอกชัดๆหากเขาต้องเข้าสู่ตำหนักต้าซิงและกลายเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่4ของราชวงศ์อวีจริงๆเขาจะสามารถมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้นานแค่ไหนกันขอเชิญจักรพรรดิผู้สืบทอดราชบัลลังก์เสด็จเข้าสู่ตำหนักต้าซิงในขณะที่ชูหลิงกำลังจมอยู่ในความคิดหลีจมกลับไม่ได้สนใจคำคัดค้านของคนรอบข้างเขาเดินก้มหน้าตรงมาหาชูหลิงและคุกเข่าทำความเคารพอย่างนอบน้อม ขอเชิญจักรพรรดิผู้สืบทอดราชบัลลังก์เสด็จเข้าสู่ตำหนักต้าซิงเราทหารองครักษ์ที่ติดตามหลี่จงออกมาจากวังต่างก็คุกเข่าข้างเดียวและตะโกนก้องด้วยเสียงอันดังนี่คือหน่วยองครักษ์ที่จงรักภักดีต่อโอรสแห่งสวรรค์เท่านั้นผู้ที่สามารถเข้าหน่วยนี้ได้ล้วนเป็นบุตรหลานของคุณนางผู้มีบรรดาศักดิ์ในเมืองหลวงการที่พวกเขาติดตามหลี่จงออกมาประกาศสวรนีย่อมแสดงความหมายอย่างชัดเจนว่าชูหลิงคือจักรพรรดิผู้สืบทอดที่ถูกเลือกและเป็นประมุขพระองค์ใหม่ของราชวงศ์อวี๋